ยามทะเลคลุ้มคลั่งคนบ้าคนอยากตายเท่านั้นที่นั่งเรือออกทะเลยามจิตสับสนวุ่นวายคนบ้าคนอยากตายเท่านั้นที่ตัดสินใจแสดงออกหรือลงมือทำว่ากันว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าน่ารักน่าถนอมนักฉะนั้นอย่าเป็นเช่นคนบ้า คนอยากฆ่าตัวตายอย่าแม้กระทั่งทำร้ายตนเองเลยรอทะเลสงบเสียก่อนแล้วค่อยเดินเรือแม้จะช้าไปบ้างแต่อย่างไรก็ไม่มีเรื่องให้สานึกเสียใจการตัดสินใจการแสดงออกหรือลงมือทำในยามจิตสงบผ่อนคลายมักได้ดี ตอร้อยดาวค่ะคุณหมอคะพูดกันถึงเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะเวลาที่มีอะไรต่ออะไรมากระทบเนี่ยเรามักจะวันไหวไหววันนะคะตามแรงมากระทบน้อยคนนักทีเดียวที่ว่าฝึกจิตฝนใจมาดีกระทั่ง เมื่อเจอความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาแล้วสามารถจะตั้งรับได้อย่างดีวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องชวนคุณหมอพูดคุยแบ่งปันกับเพื่อนของเราในเรื่องของการทำใจละคะว่าเราจะทำใจของเราอย่างไรคะให้ทำใจให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วขอขยายความนิดนึงนะคะคมันต้องมีสองในยะด้วยนะคะคุณหมอคะคก็คือว่าเราเนี่ยจะทาใจอย่างไรถึงจะเรียกว่าให้ทาใจให้เป็น ทั้งในเรื่องของก่อนที่จะมีเรื่องนะคะครับก่อนจะมีเรื่องจะทําใจยังไงฝึกใจยังไงให้ตั้งรับได้อย่างไม่เป็นเรื่องและเมื่อเป็นเรื่องแล้วจะวางใจยังไงถึงจะให้ใจไม่เป็นทุกข์ต้องมีสองในยะนะคะคเชิญคุณหมอเปิดประเด็นได้เลยค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะใหญ่ไกล้ตัวแล้วก็สําคัญมากความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะทุกๆชีวิตเลยก็ว่าไดค่ะนะครับอย่างที่บทกลอนที่ที่สิงห์น่ายกมาเนี่ยค่ะก็ชัดเจนนะครค่ะเรื่องของในขณะที่เรามีจิตใจที่มันว้าวุ่นคัดสนค่ ะ, น, คะนะเครีคยดหรือว่าวิตกังวลเนี่ยถ้าเราทําอะไรเรียกว่าถ้าออกอาการไปทางกายทางวาจาระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีความเสียหายได้ง่ายค่ะเขใจไหม้รับ แล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นผลงานที่ไม่พึงประสงค์อาจจะมากกว่าหรือว่าอาจจะมีวิธข้างเคียงอะไรได้มากกว่าเพราะว่ามันมาจากฐานของจิตใจที่มันไม่พร้อมแต่ไม่พร้อมจิตใจที่สับสนจิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะฉันในแง่ของความเป็นจริงที่ควรจะเป็นนะก็คือว่า คราวใดที่เรามีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนไม่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก่อนก็คือว่าตั้งหลักก็คือว่าหลักใจของเรานั่นแหลคะคือทาใจของเราเนี่ยออกจากความวุ่นวายนั้นให้ได้ก่อนต้องถอยเลยนะคะฮะต้องถอยก่อนค่ะต้องหยุดก่อนต้องตั้งหลักก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรในระหว่างนั้นคะเพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะทําอะไรในขณะนั้น เหมือนคนที่มันกําลังป่วยอยู่แล้วใช้คนป่วยทํางานนะครับเป็นกีน่าค่ะมันก็คงจะทุลักทุเลหน้าดูนะไม่ทราบคุณหมอจะเคยรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะคะสําหรับตัวเองเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ๊ยถ้าอะไรมันเป็นปัญหามากระทบใจเราเนี่ยมันจะทําให้ใจเราแวกว่งนะคะครับใจเราจะไม่เป็นปกติ<ล>มันจะแกว่งมันจะหวิวหวานมันจะบีบคั้นมันจะมีอะไรที่เป็นอาการของความไม่ปกติเข้ามา<ล>ในหลายหลายรูปแบบ เสียศูนย์นะค ะ, ะค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้น <c oughs> คิดว่าคนอื่นก็คงจะเป็นเหมือนเหมือนเรารบ้างคับนะคะแล้วพอใจเรามันไม่อยู่ในตําแหน่งของศูนย์กลางแล้วเนี่ยจะทําอะไรมันก็ทําได้ไม่ดีนะคะครับจะคิดอะไรก็บางทีก็คิดวนอ่างอยู่นั่นแหละคะ่ะไม่ไปไหนเลยคะ่ะครับแล้วก็ผลที่ตามมาคือทุกข์หนักแก้ปัญหาก็อาจจะไม่จบเพราะแก้ปัญหาอาจจะมีผลพวงเกี่ยวกัการจากการแก้ปัญหานั้นออกมาอีก อันจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะตามความที่น่านจะเป็นก็คือว่าถ้าเราทําได้ดีเนี่ยในขณะที่มีปัญหาเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะพาใจเรากลับก็คือกลับ ส, สู่ความว่างน่ะค่ะเขาเรียกว่ากลับสู่ฐาอ น, นอันนี้เรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่เราอยากจะแนะนํานะคะครับว่าถ้าเมื่อใดรู้สึกใจของเราแกวนไกวไปด้วยเหตุอะไรที่มากระทบก็ตามทีเนี่ยขั้นแรกเลย อยากให้พวกเราเนี่ยกลับมาสู่ฐานของใจก่อนครับซึ่งก็คือการทใใํ า, าใจให้ว่างนะคะทําใจให้ว่างหรือว่าว่างให้ให้เข้าถึงความว่างหรือว่าใช้ความว่างเป็นฐานเนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเราจเจริญสติหรือว่าเราฝึกไว้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆว่าการที่เราพาตัวใจเรากลับบ้านค่ะก็คือว่ามันจะทําให้เกิดมีความผ่อนคลายนะมีความรู้สึก สบายมีความรู้สึกอบอุ่นก็คือว่าในขณะในตัวปฏิบัติจริงๆเลยมันก็คืออย่างนี้ครับบางทีเราพูดไปแล้วมันไม่ค่อยเห็นภาพค่ะก็คือว่าในขณะที่เรามีความเครียดมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยในขณะนั้นจิตเราเป็นอกุศลแน่นอนค่ะถูกไหมฮะจิตที่ทเป็นอกุศลเนี่ยเอาไปทําอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะมันก็เป็นอกุศลฮะมันไม่ดีทั้งนั้นคงนั้นโดยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะทํานะก็ ค, ะคือเปลี่ยนจิตเป็นอกุศลนั้นเนี่ยให้เป็นกุศลซะค่ะ ก็คือว่าอย่างเช่นว่าบางทีเราเครียดเราไม่สบายใจเราวิตกกังวลเนี่ยเราก็อาจจะไปให้อาหารปลาอย่างนี้ฮอพีเอาจจะเอากล้วยไปให้ปลาทา น, นหรือว่าโยาเม็ดอาหารให้ปลา ค, คือเปลี่ยนอารมณ์จากอากุศลเป็นกุศลค่ะจะได้อุบายอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมคือเราต้องเป็นคนขยันเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองะนะค ะ, คะในเบื้องต้นเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นก่อน <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นก่อนเปลี่ยนจากอาคุศลให้เป็นกุศลให้ได้พ <c oughs> อเปลี่ยนจากอาคุศลเป็นกุศลได้แล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะง่ายละง่ายในการที่จะทําให้ใจเราสงบหรือว่าใจเป็นสมาธิคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามคําสอนในพุทธศาสนาเนีย่ยสมาธิที่แท้จริงเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากการที่จิตใจมันมีความสุขค <c oughs> นะพอจิตใจมันมีความสุขปุ๊บมันจะตั้งมั่นได้ง่ายอันนี้นี่คือความเป็นจริงของของจิตใจเราอะนะครับ นันจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะต้องการแก้ไขปัญหาอย่างที่จะถูกตรงเนี่ยจิตใจของเราต้องมีสติต้องมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมฮะค่ะนั้นในเบื้องต้นก็คือว่าทํำยังไงใจเราจึงจะเป็นกุศลพอใจเป็นกุศลมันจะมีความสุขใจที่มีความสุขก็จะตั้งมันได้ง่ายใจที่ตั้งมันไม่ง่ายก็จะมีปัญญาอนะ น, อ น, นี่นคือว่าตามขั้นตอนคแต่ทั้งหมดพอมองย้อนกลับไปก็คือ ต้องฝึกครับพี่เมย์มันต้องฝึกกันไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเั้นเถอะเพราะว่าทําให้ฝึกไม่ฝนกันมาเลยเนี่ยถึงเวลาจะชักมาใช้นี่ยมันชักไม่ทันนะคะครับเหมือนว่าที่ว่ายามศึกเราต้องลบนะฮะยามสงบไม่ใช่นอนเล่นแต่ละยามสงบก็ต้องพัฒนาคือต้องฝึกเอาไว้ค่ะอต้องฝึกไว้เพราะฉะั้นเรื่องการทํามากๆทําเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําไว้แต่ในเบื้องต้นอย่างที่พี่ณัฐจ่อหัวไว้ว่าค่ะ มันต้องเริ่มจากการที่เราคิดให้ถูกก่อนค่ะนะเราคิดให้ถูกก่อนตอนนี้อเรายังฝึกไม่ได้แต่ว่าเราต้องคิดให้เป็นค่ะหรือว่าอาศัยความรู้ของผู้อื่นไปก่อนไปแล้วเพราะว่าเราอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์ไปก่อนค่ะนะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรตามคิดด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรามองเห็นอย่างนั้นจริงไหมอนาคตยังมาไม่ถึงเราจะกังวลไปใหญ่เนี่ยเราคิดเห็นตามความ อ่าเป็นจริงตามที่พุทธองค์ได้สั่งสอนไว้เนี่ยเราเคยซ้อมการคิดอย่างนี้ไหมยอย่างเงี้ยครัรือว่าการที่เราคิดเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยจัดโลกย่อมเป็นเปามกรรมอย่างเงี้ยพี่ดีนะเรายอมรับความจริงอันนี้ไหมเราเคยพิจิตพิจารณามันโดยการอาศัยความคิดไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกการใช้โยนิโสมนันสิดการคือการพิจารณาอย่างแยบคายการพิจารณาตามความเป็นจริงโดยอาศัยคําสอนของเขาเรียกผู้รู้ นะเป็นเครื่องชี้นําเราไปแล้วเราก็คิดตามไปมันจริงไหมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคิดไปให้มันยอมรับนะคิดบ่อยๆคิดซ้ำซ่าหรือนั่นแหละถ้าจะคิดเนี่ยนะเฉะั้นดีดีกว่าไปเราไปจมอยู่ในความคิดที่เป็นอกุศลค่ะนะคิดสับสนคิดจาคิดซ่าคิดแต่เรื่องที่มันทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนได้ถ้ามันคิดอย่างนั้นเราก็คิดใหม่ค่ะคิดให้มันอยู่ในกรอบของการเกิดกุศลจิดนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราส่วนใหญ่เวลาที่ เจอปัญหาเนี่ยมักจะคิดซ้ำคิดซาาคิดวนคิดเวียนอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะเรียกว่าจมอยู่ในก้อนทุกข์หรือกองทุกข์โดยที่ไม่พยายามถอยออกมาค่ะเน่ะเราเรากำลังพิศีนข้อหนึ่งอยู่นะครับเนี่ย ไหนงั้นแหะค่ะเรากำลังเบียดเบียนสัตว์อยู่สัตว์คือตัวเองใช่ไหมใช่เรากำลังเบียดเบียนสัตว์อยู่นะฮะเอาจําไม่ได้คะนั่นแหละใครที่ไม่ยอมบอกจากก้อนทุกนี้ค่ะโดนผิดศีลข้อหนึ่งจังๆเลยแลค่ะตกนรกหมกไหมเชื่อกับเพื่อกันนะฮะโอ้เบียดเบียนสัตว์ตัวนี้เนี่ยนั่นเลยแหะค่ะแหมคุณหมอเ่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนให้เป็นค่ะเปลี่ยนจากอาคุศลให้เป็นกุศลเนี่ยนันการคิดในแง่บวกไว้เนี่ยเขาต้องบอกว่า ทำใมองโลกในแง่ดีนะพี่สินีนาศนะการมองโลกแง่ดีเนี่ยจริงๆก็คือว่าเป็นกลอุบายหรือว่าเป็นคนวิธีทําให้เปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลเพราะว่าอากุศลเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไม่พร้อมจะทําอะไระแต่ถ้าเป็นกุศลแล้วเนี่ยใจมีความสุขก็พร้อมที่จะใช้งานมันได้คสมาี่ก็จะเกิดได้ง่ายอย่างที่เราว่าไว้นั้นในสองขั้นตอนอย่างที่พี่สินินาศว่าเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นการเตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะ แล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนนี่ก็มีสองอย่างก็คือว่าหนึ่งคิดให้เป็นออืนะฮะคิดให้เป็นคิดให้เป็นนี่ก็ไม่ใช่ว่าคิดทีเดียวแล้วก็จบอ้อเอาละใช้ได้อะไรเงี้ยนะต้องซ้อมคิดบ่อยๆซ้อมคิดนะคะอ่าซ้อมคิดบ่อยๆคิดถึงความตายคิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตคิดถึงความที่เราบังคับอะไรไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเราเนี่ยซ้อมคิดไว้บ่อยๆเะฮจะเป็น กี่ครั้งกี่เวลาเนี่ยแล้วแต่เลยฮะนแต่การคิดอย่างนี้เนี่ยแน่นอนมามันเป็นการสอนจิตสอนใจของเราเนให้ยอมรับความเป็นทิ้งของชีวิตมากขึ้นะนะฮะเมื่อซ้อมคิดบ่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําอีกอย่างนึ่งก็คือเจริญสตินะฮะสร้างฐานหรือว่าสร้างบ้านให้กับจิตใจของเราให้ได้บ้านของเราฐานของเราที่ควรจะเป็นก็คืออะไรก็ได้ที่เราอยู่แล้วมันสบายอ่ะอาจจะเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกท้องพองท้องยุบ นะฮะรือว่าอยู่ที่กายเคลื่อนไหวที่เท้าก็ตามที่มือก็ตามเนี่ยนะให้มันรู้อยู่กับตรงนี้การที่มันรู้อยู่กับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการรู้ที่เป็กว่ารู้ปัจจุบันขณะนะรู้เฉยเฉยรู้ว่างว่างตัวนี้แหละฮะเขาเรียกฐานว่างครับพี่จีน่าตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่าฐานปกติที่เรียกว่าศีล น, นะฮะที่พี่จน่าบอกไว้ว่าเวลามันวุ่นวายใจเวลามันทุกข์ใจเนี่ยมันเหมือนกับการเสียความเป็นปกติไปคนั่นแหละฮะดงนั้นการที่เราสุก ให้อยู่ที่ฐานตัวนี้อย่างมั่นคงเนี่ยพอมันจะไหวไปเสรปุ๊บเนี่ยจิตมันจะดีดคืนมาสู่ฐานเดิมของมันโดยอัตโนมัติคนะหรือว่าถ้ามันไม่อัตโนมัติเราก็เจตนาสร้างขึ้นมามันก็จะกลับบ้านได้นั้นเราก็จะไม่ทุกเกินเหตุหรือว่าไม่ทุกเกินความจําเป็นค่ไอ้พวกทุกสัพเพเหละทุกเป็นตะเล็ดพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดล่อนไปจากใจของเราเราก็จะมีความปกติตังมาในนี้หลุดล่อนนะคะ มันอถ้ารอดแล้วมันจะไม่กลับมานะคะมันไม่กลับละครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่มันตรงกันข้ามกันอยู่นะพี่จีนะค่ะะมันมีกลางวันก็ไม่มีกลางคืนมันมืดก็ไม่มีสว่างมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ตรงกันข้ามมันขึ้นอยู่กับเราทํำชานาญไหมนะฮะค่ะถ้าเราทําชํานาญทําจนกระทั่งว่าจิตใจมันเป็นเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราว่ายน้ําเป็นเนี่ยนะะเราไม่ได้ซ้อมว่ายน้ําเลยสักปีหนึ่งเนี่ยโดดน้ําไปครั้งแรกอาจจะขัดเขินบ้างมันมีจิตในการที่จะว่ายเอาตัวรอดได้ค ในกรณีที่เราไม่ได้ทําเป็นประจําะำนะคฮะนี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเป็นประจําทําทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความชานาญมากในการที่จะออกจากทุกข์ใช่ไหมฮะเราก็จะอยู่ในอย่างที่เราเคยเห็นภาพนะฮะว่าการอยู่ในปากงูเนี่ยฮะแต่ว่าไม่ถูกคิดงูเนี่ยออมันจะอยู่ได้ยังไงนก็คือว่าเราจะอยู่กับโลกซึ่งถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นทุกข์ล้นล้นเนี่ยนะะอย่างไรจึงจะไม่เป็นผู้ทุกข์ เราจะห้ามไม่ให้ทุกข์ไม่เกิดเนี่ยคงไม่ได้เนะี่ยเราจะห้ามไม่ให้ไ ด, ได้ได้กลิ่นเหม็นไม่ได้เราะจะห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาเราดา่าเราไม่ได้ใช่ไหมเราจะเอาแต่ดีๆอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันตัวนี้นะฮะเป็นตัวฝึกจิตฝึกใจหรือว่าตัวทำใจค่ะนะ่ยตัวทำใจจริงๆเนี่เนี่ยพอมีใจนี่แหลมันจึงทุกข์อ้าวไม่มีได้ยังไงล่ะคะ ใช่ไหมฮอาจารย์กมพลก็เคยบอกไว้หลายครั้งนะฮะพี่สิริน่าอาจารย์บอกว่ามีอะไรก็ทุกคนนั้น่ะดีที่ไม่มีหางอใช่ไหมฮะอาจารย์กมพลเคยบอกดีที่ไม่มีหางเนาะดีที่ไม่มีหางก็หางอีกเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรามีใจนั่นแหละมันเลยทุกคทํายังไงเราจึงจะทําลายใจเราได้ทําลายในที่นี้คือว่าทําลายความยึดถือใจของเราะทําลายความยึดถือทําลายความยึดถือในใจ ในานามธรรมในรูปธรรมที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยถ้าเราสามารถทําลายความยึดถือลงได้ทุกเราจะลดลงโดยอัตโนมัติแนพี่กินีนะค่ะดังนัออ้นไม่ต้องไปทําลายมันแต่ทําลายความยึดถือคการที่เราจะทําลายความยึดถือเนี่ยมันก็มีอยู่กรณีเดียวคือว่าต้องรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งกายทั้งใจเราเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่น่ายึดถือนะฮะเช่นว่าเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่สวยไม่งามหรอกมันไม่ได้มีตัวตนพิจารณจริง มันเป็นของจะมีความทุกข์เป็นพื้นใช่ไหมทุกอย่างทําไปกับกายเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ล้วนๆเลยใช่ไหมค่ะมันปวดท้องถ่ายก็ต้องพามันไปถ่ายปวดท้องขี่ก็พามันไปขี่มันหิวก็ต้องให้มันกินมันห่วงก็ต้องให้มันนอนใช่ไหมไม่ได้อาบน้ำสองสาวันทนไม่ได้คัน่าเนี่ยฮะเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับกายเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์จริงๆเลยทุกข์ล้วนๆเราเห็นไหมค่ะเห็นแล้วเราวางมันได้ไหมเนี่ยหรือว่าเรายังยึดอยู่ว่ามันเป็นของเรา ใช่ไหมค่ะเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเจริญสติเราจะเห็นความที่มันลวงหลอกเราอยู่เสมอเสมอความหลงความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันหลอกเราอยู่วันยังค่ําำนั่นตรงจุดนี้เนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดของการที่จะทําให้ไม่เสียสูญเนี่ยก็คือว่าต้องสร้างศูนย์ขึ้นมาให้มันหนักแน่นนะหนักแน่นกับความว่างหนักแน่นกับความเป็นปกติของจิตเนี่ยนะตัวนี้สําคัญมากนะไม่ต้องรู้อะไรอย่างอื่นนะไม่ต้องเห็นอะไรอย่างอื่นนะ แต่อยู่กับความว่างได้ง่ายสบายอยู่กับความเป็นปกติอยู่เสมอเสมอนะคนแบบนี้เขาจะคนมีบุญแม้แต่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้แล้วก็เป็นคนมีบุญได้นะคะครับบางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเกิดมาใช้กรรมจริงๆนะคะพยายามจะทําใจให้เป็นปกตินี่ทําไม่ได้จริงๆเลยครับเหมือนกับมีกรรมเก่ามาตัดรอนหรือไงคะทําให้จิตใจต้องว้าวุ่นรุ่งร้อนอยู่ตลอดเวลาครับ เราต้มองใหม่เฉพาะคนน่ยนะคะกรรมเก่าที่มันมาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยได้ไหมถ้าเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยจนตายกันไปข้างหนึ่งอะไรงี้เพะว่าคลอกเลยนะคะเอามาเป็นปุ๋ยนะคะเพราะว่าเราเวียนตายเวียนเกิดในมานับชาติไม่ท่วนเนี่ยมันเราสร้างกรรมสร้างอะไรมาสารพัดนั้นถ้าเราจะต้องหมกมุ่นหรือว่าจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ เรียกว่าตายไปอีกชาตินึงก็ยังไม่หมดนะฮะนั้นถ้าเราเริ่มใหม่นะในไหนขยะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะ uh huh. รายการที่เราประกอบอาหารในการที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีขยะเกิดขึ้น่แต่ถ้าเแบบเราปฏิเสธขยะหรือว่าไปจมอยู่กับขยะไม่ไปไม่พอใจขยะมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราจะเปลี่ยนขยะนั้นเนี่ยมาเป็นปุ๋ยได้ยังไงเนี่ยตัวนี้ uh huh. ตัวสติเนี่ยครเป็นตัวเปลี่ยนตัวความคิดถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นถูกต้องเนี่ย จะเป็นตัวเปลี่ยนคเปลี่ยนขยะอันนั้นให้มาเป็นปุ๋ยอทีพอนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยมันก็จะสนุกนะพี่จนีนะาปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนเราได้ปุ๋ยทุกวันได้แบบฝึกหัด ท, ทุกวันมีครูบาอาจารย์มาสอนเราทุกวันเลยมันจะสนุกสนานกับชีวิตแล้วก็ชีวิตก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมไปโดยอัตโนมัติก็เรียกว่าเป็นการผ่านวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะครับครับอาารน้องนั้นนะครับนั้น ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกบ่อยๆฮะค่ะบางทีญาติธรรมหลายคนหลายท่านผมก็เคยได้ยินมารู้ก็ทั้งรู้นะคะอย่างที่พี่ชินิดาว่ารู้ก็ทั้งรู้แต่ว่าก็ออกไม่ได้ในความทุกข์นั้นนะครับพี่ชินิ่า ม, มันมีรสชาติอยู่ฮนะอืมอะการที่เราจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับความซึมซึมเศร้าเศเสรษิดในรสชาติอ่ากลุ่มๆเหมือนคนกินเหล้าฮะเหมือนเป็นสุขะ <ค><ะ>เหมือนคนกินเหล้ากินไปเวียนหัวไปมึนงงไปนะแต่มันก็สนุกดีนะ <c oughs> คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นน่ยมันมีรสชาติของความทุกข์อยู่เหมือนกันคช่ไหมจิตใจมันไปฝักใฝ่อยู่เพราะว่ามันได้คิดเรื่องนี้ไหมมันรู้สึกว่าเหมือนกับการได้มีความสุขนะก็เร <c oughs> ียกมีความสุขในความทุกข์ <c oughs> ถ้ารสชาติของความทุกข์แบบที่ว่าจมอยู่ไม่ยอมถอนขึ้นเนี่ยคุ้นค่ะเป็นมานานฮะมันเป็นความสุขในความทุกข์นะเพลิดเพลินในความทุกข์ หลงคิดผิดนะคะเราหลงคิดผิดว่าอารมณ์ที่เราจอมจมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสุขแต่จริงๆแล้วมันบั่นทอนจิตใจเราแล้วก็บั่นทอนถึงร่างกายเราด้วยนะคะครับมันมีความเรรวนหรือว่าแปรรวนไปในทั้งหมดนะครับค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งใจทั้งกายมันส่งผลกันแล้วกันงั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราต้องเห็นกันว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องทุกข์ ไม่มีใครเอาปืนมาจาะหัวเราต้องไปทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านั้นใช่ไหมฮะใจรเราไม่รักดีเองแนละ้วอย่างนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ตามกับบุคคลใกล้ชิดก็ตามหรือวใครๆก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมของเขาหรือว่กรรมของเรานะที่เรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นบางทีเราต้องยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้พอยอมรับให้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย มันง่ายในการที่จะวางความคิดหรือว่าความทุกข์อันนั้นให้ให้ดีขึ้นนะฮะพี่สี่ น, าน่าค่ะแล้วพอเราวางความคิดอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นเนะะี่ยทีนี้เราเริ่มมาฐานสติได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ยังคิดวางก็ยังคิดไม่ได้เลยนะะพวกนี้จะเลื่อนสติจะเจริอนได้ยากครับไปไม่รอดแน่ครับไปไม่รอดค่ะนัต้องคิดวางให้เป็นก่อนค่ะนะคิดวางให้เป็นต่อมาจึงจะวางความคิดเป็น